อัลลอฮ์ ا, إ, على أ, على آ, آ, إ ل أ بعد. علي ر าล l ا ل ุนุสซาล l a ل ุนุส ا าล lat ุนุสซาล lat ุนุสซาล lat ุนุส ن าล lat ุนุสซาล lat ุนุสซาล lat ุนุสซาล lat ุน ل สซาล lat ุนุ م ح าล l a ل ุนุสซาล ب a t ุนุส ع าล lat ุนุสซาล lat ุนุสซาล lat ุนุสซาล lat ุนุสซาล lat ุนุสซาล lat ุนุสซาล lat ุนุซาล l a ุนุล lat ุนุสซาล lat ุนุสซาล lat าุุานา พราะเป็นสุรที่ถูกประทานลงมาในช่วงท้ายๆของการเทศนาของท่านนบีซัลลัลลอฮุอะลัยฮิวซัลลัมสุรุตอัลมาิดะกับอัลตูบานไม่ได้ผ่านไปแล้วนะกับสุรัตวบานีเป็นสองสุรที่มาในช่วงสุดท้ายของชีวิตของท่านนบีที่มุสลินะถูกประทานลงมาช่วงที่สถานาการณ์ต่างๆที่ทำให้สังคมงอมละ สุขมะม่วงสุขฉะนั้นเนื้อหาของสุรตบตวานี่ก็จะเน้นไปทางสร้างภาพรวมให้ผู้ศรัทธาเนี่ยได้เข้าใจว่าภาพรวมของสังคมมุสลิมคุณสมบัติของมุสลิมจะต้องเป็นแบบไหนอยู่กับนบีนี่มาย3ามปีละสิสาปีที่มักกะ สิบปีที่มาดีนะอยู่กับาศาสนทูตของพระเจ้าทั้งทีแล้วเนี่ย2ี่สิบกว่าปีแล้วเนี่ยอาญานี่ก็มาโซรอนี่ก็มาทบทวนว่าพวกเจ้าโอหุสตะทั้งหลายเนี่ยตกลงพวกเจ้าเนี่ยต้องทำตัวยังไงให้พวกเจ้าเนี่ยอยู่ในสภาพที่ท่านนาบีสามารถอาลาจากโลกนี้ได้โดยที่ท่าน รู้สึกว่าท่านได้ทำหน้าที่กับสังคมมนุษย์เป็นที่เรียบร้อยแล้วเหมือนผู้ใหญ่ในครอบครัวคนหนึ่งกำลังเสียชีวิตก็เรียกลูกหลานมาสั่งเสียนู่นสั่งเสียนี่แล้วก็บอกว่าเอาทุกคนนิตทำหน้าที่ได้นะดูแลทรัพย์สินดูแลลูกหลานญาติพี่น้องของเราคือคือตรวจสอบว่าพร้อมๆอมพร้อมหรื อ, ร อ, อยังฉันจะไปแล้วนะ ไอ้ฉันนี่จะดูแลพวกท่านพวกเรื่องเรื่องนี้นีน่จะไปแล้วนะแต่พวกนี้พร้อมพร้อมหรือยังที่จะสารต่อภารกิจของคนที่กำลัง จ, จะออกไปจากดุนยานี้ก็ต้องมีการเช็คบินคุณสมบัติของผู้สแตาถึงบอกตอนตอนแรกๆของซูร์ตว่านี่ซูร์ตว่ า, วาเหมือนเป็นโซลที่กำลังตรวจสอบ คุณสมบัติของพลเมืองมุสลิมในรัฐอิสลามมุสลิมในรัฐอิสลามต้องเป็นแบบไหนเหมือนในรูปแบบสังคมปัจจุบันสังคมอรารยะปัจจุบันน่นนะพลเมืองคนดีเนี่ยคือคนไหนอะ่ะคนที่ต้องทําหน้าที่ใจภาษีต้องทําหน้าที่ดำเนินรงตามกฎหมายทุกคนก็จะต้องรู้หน้าที่จึงรู้เลยว่าทําอะไรที่มันไม่เข้าท่าเนี่ยวันี้เป็นพลเมืองไม่ดี แต่ถ้ามาอะไรที่มันมีความชอบทางกฎหมายทางสังคมเนี่ยนี่เป็นพลเมืองที่ดีแต่อิสลามจะไม่ปล่อยให้เรื่องดีไม่ดีเนี่ยถูกกาหนดตามอำเภอใจนึกจะส ถ, สถาปนาใครเป็นคนดีนะก็กลายเป็นคนดีแล้วเหมือนที่เราเห็นกันเมื่อเมื่อไม่กี่เดือนชายนักโทษชายนักโทษทุจริต ผู้กระทาชายกรทุจริตฟังแล้วนี่โอ้คนนี้เนี่ยทำชั่วไม่น่าจะมีแผ่นดินอยู่ได้ถ้าวันดีคืนดีมีแผ่นดินอยู่ได้เฉยเลยแล้วก็ว่าอยู่ที่ไหนนี่อยู่แบบว i p พีด้วยนะเข้าโรงบาลก็อยู่ชั้น14บสี่อย่างดีเลยอะ่ะแล้วก็ตกลงพลเมืองดีนี่มันมันเป็นอภิสิทธิ์ของใครที่จะกำหนด ความพอใจแท้จริงแล้วนะความพอใจของมนุษย์พ่อแม่บางคนเนี่ยลูกคนนี้ดีทางดังนี้ลูกคนนี้ก็อาจจะเป็นคนเกเรชอบดังแกคนอื่นชอบทำเรื่องไม่ดีไม่ดีอะแต่ทาไมพ่อแม่ชอบแล้วเป็นเรื่องความชอบส่วนตัวลูกอีกคนหนึ่งเป็นคนดีเวลาพ่อแม่ทําอะไรผิดนี่ลูกก็เตือนพ่อแม่แต่ในสายตาพ่อแม่ พ่อแม่จะบอกลูกคนนี้ไม่ดี ก, ก็มีให้เห็นนะมีมีให้ดูเหมือนกันนะดังนั้นในในในสังคมปัจจุบันเนี่ยเราก็เห็นนะคนนี้เป็นนักการเมืองน้ำดีตอบดีมันเมาแทบทุกคืนเลยอะ่ะมันมันเที่ยวกลางคืนมันเละตุงเปไปหมดอ๋อเป็นเป็นนักการเมืองน้าดีเพราะแจกตังค์เนี่ยชาวบ้านก็เจอเมื่อไหร่มีงาน แต่งงานที่ไหนนี่โอ้นักการเมืองที่สองเต็มเลยมีงานศพเมื่อไรนี่โอ้ยนักการเมืองน้ำดีคนดีของสังคมนักการเมืองที่ที่พูดตรงไปตรงมาประชาชนนี้ก็ทําไม่ถูกนะประชาชนต้องทําแบบนี้นะนนักการเมืองคนนี้เรื่องมันเยอะความชอบความชอบของมนุษย์เนี่ยที่มันจะเป็นที่ตั้งนี่ในอิสลามเนี่พยายามที่จะยกเลิกมาตรฐานนี้ สุรตัตตบ้าจึงวางมาตรฐานพนลเมืองคนดีตรงข้ามกับพลเมืองคนดีนี่ก็จะพลเมืองไม่ดีะอะไรไม่ดีในสุรตัตาบ้านี้ไม่พูดถึงคนที่ปฏิเสธศรัทธาที่เป็นปฏิปักษ์ชัดๆกับอิสลามที่มุ่งทํ ท, ทร้ายท่านนาบีแล้วสฮาบะห์ทำร้ายอิสลามนี่เพราะเรื่องนี้ชัดเจนแล้วพูดในหลายสุรตัตแล้ว แต่สุรตรามนี่มันเน้นเรื่องพวกที่อำพรางเจตนาทำลายอิสลามก็คือกลุ่มสับหลับกลับกรอกพวกมุนาฟิกเน้นเรื่องนี้เนี่ยพวกไส่ศึกพวกที่ไม่ชัดเจน <c oughs> แล้วก็นในขณะที่อธิบายคุณลักษณะของพลเมืองคนดีหรือพลเมืองที่ไม่ดีเนี่ย แล้วก็บอกถึงพฤติกรรมของเขาโดยเฉพาพฤติกรรมของพวกมูนาฟิกีนะนะแล้วลกูอ่านในสุรตะวันนี่ก็จะยกตัวอย่างของการกระทำของแต่ละคนการกระทําของคนดีการกระทำของคนไม่ดีนี่มาถึงช่วงท้ายๆของสุรนี่ใกล้จะจบแล้วนะสุรตะวนันนี่มาเน้นมาเน้นเรื่องคุณสมบัติคนดีละ เพราะนี่คือมาตรฐานที่จะทําให้คนได้เห็นภาพเห็นภาพของมุนาฟิกเนี่ยที่เขาที่เขาถูกประนามที่เขาถูก อ, อที่เขาถูกตัดสินจากกัลสุภานุวาราละ่ะในข้อตัดสินต่างๆเนี่ยที่มันรุนแรงอะมุนาฟิกถูกตัดสินว่าเป็นผู้ปฏิเสธสท้าถูกตัดสินว่าตกนรก ถูกตัสินว่าเป็นคนที่ไม่หวังดีก่อนรอดกับรัสูล์กับรัสูลเป็นข้อตัสินที่รุนแรงทั้งนั้นนะทำไมถูกตัดสินเพราะอะไรอ่ะเพราะเขาไม่ได้ทําตัวเหมือนผู้ศรัทธาที่อัลลอฮฺสุภาเนาะฮฺดาร์กำหนดไว้คุณสมบัติของเขาเนี่ยไม่ได้สอดคล้องกับคุณสมบัติที่อัลลอฮฺได้ตั้งไว้สําหรับผู้ศรัทธาเราจึงต้องเข้าใจว่าเราจะเป็นคนดีของอัลลอฮฺเนี่ยเราอย่าเอาความคิดของตัวเองเนี่ยเป็นที่ตั้งเฮ้ยงี้ฉันดีละ โอ้สุดยอดแล้วใครจะสุดยอดกว่าฉันนี่มันไม่น่าจะมีละโดยที่ไม่ได้คำหนึ่งถึงสิ่งที่อัลลอฮฺสุบัยน์วะตาลังได้กำหนดซึ่งคุณสมบัติของอุษธานีมีเยอะนะแต่สุราอัตตวานนี้จะเน้นในเรื่องเดียวซึ่งเป็นเนื้อหาสำคัญที่ที่ไปที่มาของสุรา่าในถูกประทานลงมานี่ก็คือสงครามตะบุกไสงครามตะบุกการทาสงครามการสู้รบ ในหนทางของโลสวาการเสียสละชีวิตเพื่ออิสลามนี่จึงเป็นเรื่องเป็นคุณสมบัติสําคัญที่สุดของผู้ศรัทธาของพลเมืองคนดีที่เป็นผู้ศรัทธาในรัฐอิสลามในสังคมที่ใช้หลักการศาสนาเป็นที่ตั้งเป็นมาตรฐานสําคัญและก็เป็นตัวชี้วัดที่ไม่มีใครสามารถหลอกลวงตัวเองได้เรื่องการ jihad การต่อสู้ในหนทางอันลึกการเสียสละการเสียสละในหนทางของพระเจ้าวันนี้มีอายะเดียวนะแต่อายะนี้จะเป็นอายะที่สมควรสะเทือนใจผู้ศรัทธาทุกคนเหมือนที่เหมือนที่เศษกุตุบอุษเสศกุตุบเนี่ยได้บอกว่าเขาบอกว่าได้อ่านอายะนี้ อายาหนึ่งบเนี่นับนับร้อยนับพันครั้งตลอดชีวิตแต่ตอนที่มาอธิบายอัลกุรอานในหนังสือฟิซูเอลกุรอานของท่านเนี่ยเราก็อ่านอายาหนี้เนี่ยมาเป็นร้อยเป็นพันครั้งนี่ยนะไม่ได้สะเทือนใจเท่ากับตอนที่ตอนที่ท่านมาเขียนมาเขียนหนังสือเตฟซีรฟิซูเอลกุรอานผ่านมาหลายรอบแล้วไม่ไม่รู้สึกว่ามันมีความหมายอะไรพิเศษ แต่ตอนที่ศึกษาอย่างรอบคอบเขาบอกว่าอายานีเนี่ยอาย่านีเนี่ ย, ายามันสะเทือนใจมากแล้วทำให้ทำให้เขารู้สึกว่าถ้าผู้ศรัทธาทั่วโลกนี่เอาอาย่านีมาเป็นบรรทัดฐานตรวจสอบตัวเองทุกสิ่งทุกอย่างในโลกใบนี้สำหรับผู้ศรัทธานี่มันจะไปในทิศทางที่ดี และที่ทุกอย่างในโลกใบนี้เนี่ยมันไปในทิศทางที่ไม่ดีหรือไม่ชัดเจนก็เนื่องจากว่าเราไม่ค่อยชัดเจนเกี่ยวกับอาย่านี้เกี่ยวกับอายานันี้ท่านจึงถือว่าอาย่านี้เนี่ยเป็นเครื่องมือสําคัญของผู้ศรัทธาในการตรวจสอบ إ ي م านของตัวเองมีเครื่องมือเยอะแยะนะมีเครื่องมือเยอะแยะผู้ศรัทธาผู้ศรัทธาตรวสอบตัวเองว่าทําความดี เชิงลับมีความสุขในการทำความดีในเชิงลับมากกว่าทำความดีเชิงเปิดเผยอันนี้เป็นเครื่องมือในการตรวจสอบตัวเองว่าตัวเองในมีความบริสุทธิ์ใจหรือเปล่าหรือว่าชอบทำความดีต่อหน้าคนอย่างเดียวมีความสุขตอนทำความดีต่อหน้าคนอย่างเดียวแต่ต่อตอนอยู่คนเดียวไม่อยากทำความดีหรืออาจจะทำความดีตอนอยู่คนเดียวแต่ไม่มีความสุข เท่ากับทาความดีต่อหน้าผู้คนอันนี้เป็นเครื่องมือที่ทุกคนสามารถตรวจสอบตัวเองได้ว่าตัวเองมีความบริสุทธิ์ใจหรือไม่อย่างนี้อัลลอ سبحانه แะ تعالى ได้พูดถึงเรื่องที่อัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ได้ประกาศไว้กับผู้ศรัทธาว่าบดดะอลลอฮฺมิให้ชัตตานุรรจิอินฺัลลอฮฺอัชต์รอมินะลมุอฺมินินันฟุสฺฮุมวะลฮม بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيكم الذي ب ع م به و ذ ل ك هو الفوز العظيم عن م م ع كا كا ق ن ا لقى دوما تباي لا ي ي ّ อินนัลลอฮฺอัาจรามินะลมุมินีนทฮะจิงอัลลอฮฺนั้นได้ส่งซื้อแล้วจากบันดาผู้สธาอมฟุสอะฮูอัมาละฮมซื้ออะไรละ่ะอัลลอฮได้ซื้อแล้วซึ่งชีวิตของพวกเขาและทรัพสมบัติของพวกเขาเสมือนว่าเราอะนะเราเนี่ยเป็นผู้ขายเราเป็นพ่อค้าที่มีสินค้าอยู่ในมือและเรากาลังขาย ขายอะไรเรามีชีวิตและเรามีทรัพย์สมบัติที่ครอบครองอยู่ใครที่มาเสนอซื้อละ่ะอัลลอฮ์บอกว่าอัลลอฮ์เสนอซื้อแล้วอิชเตรอซื้อแล้วอืัลลอฮ์ซื้อแล้ว อ, อ, ลล อ, วอตรอซื้ออะไรอ่ะซื้อชีวิตของพวกเขาและทรัพย์สมบัติของพวกเขาเอาแล้วก็ราคาละ่ะสิ่งตอบแทนเดียวเราจะให้เราละ่ะ เราเอาแล้ชีวิตของเราทรัพย์สิสนทรัพย์สมบัติของเราและอะไรที่อัลลอฮฺจะมาตอบแทนเราบีอันและฮุมุลเยนนะโดยพวกเขาจะได้รับสวนสวรรค์เป็นการตอบแทนรูปแบบในการขายชีวิตและการทรัพย์สมบัติของเรายังไงอ่ะอยู่ก่อติลูนฟิซีลิลละโดยที่พวกเขาจะต่อสู้ในทางของอัลลอฮฺแล้วพวกเขาจะฆ่าและถูกฆ่า ฟ่ายกลลุและถูกลลุนแค่ขาดูแค่ وعد าอัลัยพักกันในเทวรัตแลอินเจลและุรานเป็นสัญญาของพระองค์เองอย่างแท้จริงเป็นสัญญาของพระองค์เองอย่างแท้จริงฮักกต์อย่างแท้จริงสัญญาว่าถ้าพวกเจ้านี่มอบชีวิตของพวกเจ้าทรัพย์สมบัติของพวกเจ้า โดยที่จะต่อสู้ในหงทางพระองค์นี่นะสัญญาแท้จริงของพวกเจ้าของอัลลอ์นี่ว่าอัลลอ์นี่จะให้สวรรค์กับพวกเจ้าก็แบบวินวินพ่อค้าสองพอ่พอค้าสองฝ่ายนี่ให้สินค้ามาอ่โดยฉันให้ค่าต่อให้ดังวินวินแต่นี้อีกฝ่ายหนึง่งไม่ใช่พ่อค้าปุะชชนธรรมดาคนทั่วไปนี่ที่มีโอกาสจะบิดผิว มีโอกาสจะเบี้ยวมีโอกาสจะเทงานไม่อีกฝ่ายหนึ่งเรากําลังค้าขายกับอัลลอฮฺสุบฮานาห์ตาข้อสังเกตเนี่ยที่อุลามะเขาเขาเข า, เขาบอกว่าโครงสร้างของค้าขายเนี่ยสัญญาซื้อขายเนี่ยอัลลอฮฺสุบฮานาห์ตาเาได้อุปมาขึ้นมาทําไมเพราะที่จริงเนี่ยสิ่งที่เรากําลังซื้อขายกับอัลลอฮ์เนี่ยก็คือชีวิตของเราทรัพ ส, สมบัติของเรา โดยข้อที่จริงแล้วเนี่ยมันก็ไม่ใช่ของเราของใครของอัลลอของอัลลอฮ์อัลล์ให้ชีวิตกับเราเราให้ทรัพย์สินของเราแล้วอัลลอ์บอกกับเราขายมาั้ยชีวิตสัสาขายมาั้ยฉันซื้อใ้สวรรค์เหมือนผู้ใหญ่อยากจะปลอบใจเด็กเอาตังค์ให้เด็กตังค์ให้เหรือเอาของเล่นให้เด็กของเล่นขายมาั้ยขายมาั้ย ก็ของเล่นเนี่ยผู้ใหญ่เขาซื้อให้แต่เหมือนเขาอยากจะให้เด็กสนุกอยากให้เด็กมีความสุขให้เด็กรู้สึกว่าเออของเล่นนี่เป็นของเข้าจริงนะของขาจริงแต่โดยข้อเท็จจริงนี่ไม่ใช่เราไม่ได้เป็นเจ้าเราไม่ได้คอบครองชีวิตชีวิตของเราเอาไว้ลว่าทั้งหลายของเราอลอจึงบอกว่า <c oughs> ข้อเท็จจริงนี่เนี่ยสัญญาที่ลอจได้ทาไว้เนี่ย เราได้ยืนยันไว้แล้วเนี่ยในทุกบทบัญญัติของศาสนาที่พระองค์ประทานลงมายังบรรดาน ب ي และเราศึกษาง่ายในเทวราวั้อินเียลและุรานซึ่งมีอยู่ในคำพิทูรอของท่านนบีมูซาอินจดีลของท่านนบีอิสาและกุรานของท่านนบีสุลลัลละวะเลแสดงว่าบทบัญญัติในเรื่อง หลักการใหญ่ๆเนี่ยมันสอดคล้องกันหมดทุกคัมภี่สอดคล้องกันหมดการห้ามทำดินาการห้ามดื่มเหล้าการห้ามเล่นการพ น, นันให้กระตันญูตอ่อพ่อแม่เรื่องหลักการใหญ่ๆเนี่ยทุกศาสนานี่สอดคล้องกันทุกคัมภี่นี่สอดคล้องกันมันเอาฝากีฮ์มินอัลลอฮ์และใครเล่าจะรักษาสัญญาของเขาให้ดียิ่งไปกว่าหล่อ ใครเหรเพราะการที่อัลลอสุ س ب า ا ن ه และ ت ع ا ل จะรักษาสัญญานี่จะก็ระเจ้านี่เป็นแบบอย่างเป็นแบบฉบับแบบฉบับแห่งคุณธรรมทุกประเพณีคุณงามความดีที่อัลลอได้สอนพวกเราทำเนี่ยพระองค์จะปฏิบัติอย่างดีที่สุดเราสอนให้เรายุติธรรมพระองค์ก็จะยุติธรรมที่สุดเาสอนให้เราได รักษาความสวยงามของตัวเราเองเนี่ยและพระองค์นี่ก็จะเป็นผู้มีความสวยงามที่สุดทุกสิ่งทุกอย่างที่ดีงามที่อัลลอ์ใช้พวกเราเนี่พระองค์ก็จะเป็นแบบฉบับเป็นเป็นต้นแบบของคนงามความดีนั้นๆนแล้วเราสมฐานวตาและได้บอกว่าข่าวดีเนี้ยที่อัลลอฮ์ได้ซื้อขายกับพวกเจ้าแล้วเนี่ย เป็นข่าวดีที่พวกเจ้าจะยต้องภูมิใจฟัสตับชิรูไปไปไอ้กุอัลละดีบียตุบิดังนั้นพวกท่านจงสิ้นชมยินดีฟัสตับชิรูชิ้นชมยินดีอินดีที่คู่ค้ากับเราคู่ทำธุรกิจกับเรานี่คืออัลลอฮุ سبحانه และกต์เพราะเราเนี่ย ไปลงทุนอะไรกับมนุษย์ไปค้าขายอะไรกับมนุษย์เนี่ยอยู่ระหว่างความระแวงซื้อขายอะไรกันระแวงมันจะมันจะ บ, บริสุทธิ์ไหมเนี่ยมันจะขายกูจริงไหมเนี่ยมันจะให้ของดีไหมเนี่ยอยู่ในความระแวงตลอดเลยถึงแม้ว่าคนที่เราซื้อขายค้าขายกับเขาเนี่ยพี่น้องเท่ๆเลยพี่น้องเท่ๆเลย มันจะมาไหมไหนกะกูเนี่ยแต่กับอัลลอฮ์ س ب า ا และว ع ่งนี้ไม่ต้องเลวเวงเลยฟาสต์บชิลุให้ชื่นชมยินดีบิประโยกลุ่มในการขายของพวกท่านเถิดอัลลอีบญาติบิซึ่งที่พวกท่านได้ขายมันไปก็คือที่ ได้มอบชีวิตกับสัพสมบัติของพวกเจ้าเนียมันตามองลลอหัวฟาุลาซิมและนั่นคือนั่นคือใช้ชนะอันใหญ่ลวงอาย่นี้สัฮาบะหลายท่านได้บอกว่าอาย่นี้ไม่ถูกประธานลงมาช่วงสงครามตะบุกปีที่เก้าไม่ถูกประทานลงมาในช่วงนู้นก่อนนบีจะอพยุบด้วยซ้ํา ก่อนที ی? ی ی ی ی ่นบีจะอพยพจากมักกะไปมดินาเนี่ยปีสุดท้ายเลยปีที่13ก่อนฮิจระก่อนราก็เรียกว่าเอ่อมินามิลบิอัตซะคือประวัติศาสตร์อิสลามเนี่ยเราจะเริ่มด้วยการอพยพฮิจราะฮิจราะสกการาดใช่ัหมแล้วก่อนฮิจราะสกการาดเนี่ยเราจะนับยังไงอ่ะแล้วแต่ก่อนฮิจราะสกการัดมีอยู่ส3ปี เหตุการณ์เกิดขึ้นหลังจากที่ท่านนาบีได้เริ่มเทศนาเนี่ยเขาจะเขาจะบอกว่ามิไหนบาาี้ซะนับจากการเริ่มเทศนาของท่านนาบีฉะนั้นปีที่สิบสามไม่ใช่ฮิจรอ้อนแล้วนะเพราะฮิจรอ้อนนี่มันหลังฮิจรอ้อนอาล้วก็ก่อนฮิจรอ้อนเราจะนับยังไงอ่ะเอานับจากอา่าการเริ่มเทศน า, าปีที่หนึ่งการเทศนาปีที่สองปีที่สปีที่สิบสาม ของเ บ, ยะะบยะะียซาเบียซาเป็นองการที่อัลลอฮฺได้ส่งท่านนบีมาเป็นนบีแล้วแต่เหตุการณ์เกิดขึ้นก่อนที่นบีจะเทศนาเนขาก็จะเอาการประสูนย์วันเกิดของท่านนบีเพราะมีเหตุการณ์ก่อนเอ่อก่อนที่นบีจะเป็นนบีอย่างเช่นเหตุการณ์ที่น้ําท่วมกาบาและกาบาพังแล้วก็ชาวกูรชก็มา ร่วมกันสร้างกาบาลแล้วก็ให้ท่านนบีเป็นคนที่ได้จับหินนำมาวางอันนี้เหตุการณ์ก่อนที่นบีจะเป็นนบีนะอันนี้ก็จะนับจากกวนประสูตของท่านนบีุลต่นนี้ท่านนบีได้เริ่มที่ศสนาปีที่บก่อนที่นบีจะฮิจรรัตไปมักกะเนี่ยบหรือบเนี่ยมันเกิด <c oughs> ความ ขับขันทางตันในการดาวะของท่านนาบีเริ่มสิบ ป, ปีแล้วนี่นะเหมือนงมนละท่านนาบีสหายบ้ากับชาวกูเรชนี่นะคือทางตันละ่ะคุยไม่รู้เรื่องกันละนบีและสหายบา้าตั้งใจที่จะเผยแพร่ อ, อิสลามชาวกุเรชนี่ไม่ยอมเลยไม่ยอมเลยแยว่าไม่ให้ท่านนาบีเผยแพร่ที่มักการนี่แม้กระทั่ง คนที่นอกมะกาเนี่ยที่มาทำฮัจมาทําอมรที่มะกาเนี่ยก็ห้ามไม่ท่านนบีนพูดคุยกับเขาด้วยทางตันละ่ะท่านบีนบอกว่าเดี๋ยวลองไปตออิฟหน่อยลองไปต่ อ, อ, อไปดูซิเราจะด่าวา่าเนี่ยไปตออฟสิ้นตะก่อนนู้นอ่ะ น, นะสองเมืองนี้ใหญ่ที่สุดละมะกาเนี่ยเป็นเมืองหลวงของข้ามสะุันออกเมริกเมืองหลวงด้านศาสนามีกาบ้างแล้วก็เป็นเมืองเศรษฐกิจด้วย ตอิฟละเมืองเกษตรเกษตรทุกอย่างอังงนุนทับทิมโอยอะไรสเบียงทั้งหลายนี่เมืองตอฟิฟปะสุสัตเมืองตอฟิฟรวยมากมาดินาะตอนนั้นนะ่ะเป็นเมืองเกษตรเหมือนกันแต่ไม่ดังเท่ากับตอฟิฟน บ, บีจึงแล้วก็เมืองเมืองมาดินาะหรือยาศริปตอนนั้นนะ่ะเสียชื่อตรงที่ว่า เอาซะกับฮัสโนี่สองเผ่าสำคัญดีเมืองเยซีบนี่นะสู้รบกันร้อยปีโอ้แล้วเมืองแบบรบกันแบบนี้แย่ แ, แบบนี้นะี่นบีจะไปทําอะไรจะไปดาวว่าได้ไงเขารบกันเละเลยเอ่ะทำไมไปเมืองตไอฟดูเพื่อเพื่อเขาจะยอมให้เราดาวว่าพอไปแล้วนะ่ะนบีถูกไลก่ชีวิตของท่านนบีก็เลยแบบเหมือนทางตัน วันดีคืนดีน บ, บีก็ทําหน้าที่เท่าที่ทําได้ช่วงฮัจจ์ก็จะไปเผยแพร่ อ, อิสลามใครที่เห็นดูหน้าตาหน้าน่าสนใจเนี่ยก็ท่านก็จะไปอ่านกุรานี้เขาฟังแล้วก็เสนอตัวเป็นรัชูตจากกอร์อยากให้มีใครมาช่วยฉันจะได้ดาว่าจะได้เผยแพร่คําสอนของพระเจ้าจะคนที่ช่วยท่านน บ, บีในเรื่องนี้อูบักอูบักน่มีความรู้เรื่อง สายสกุลของอาหรับเอว่ารู้จักหมดแล้วเนื่องจากว่าท่านเป็นพ่อค้าไปทั่วอ๋อนี่หัวหน้าเผ่านี่เนี่ยพวกเผ่านี้เนี่ยเขามีนิสัยแบบนี้เงี้ยนีนีพี่นี่น่าสนใจนั่นชาวมดีน่าเนี่ยชาวเยสริบเนี่ยตัวคนนี้ยังไม่เรียกมดีน่าเนี่ยอย่างที่มอกที่ใบกับพี่น้องกันชาวเยสซีบกลุ่มหนึ่งจากเอาสมกลุ่มหนึ่งกับจากคาซัลเนี่ยทั้งหมดนี่ไม่ถึงสิบห้าคนอันนี้พี่ ปีที่สิบสองจากการเทศนาของท่านนบีเขาก็มาทําฮัจจ์แล้วก็มาขอพบท่านนบีสุลต่านอยากจะรู้อืมเป็นใครเป็นอะไรเพื่อเรื่องอะไรก็พูดคุยกับท่านนบีแต่ไม่ได้เสนอกับท่านนบีอย่างจริงจังว่าท่านบีมาอยู่ที่มัตีน่าอย่าแต่เหมือนตอบใจท่านบอกนบีท่านขอศรัทธาแล้วไงสิบสองก็คนเนี่ยเล้วก็นบีอยู่ทําไมอยู่ที่ อยู่ที่มักกะทําทไมลําบากแบบนี้เนี่ยแต่ยังไม่ได้เสนอให้ไปอยู่ที่มดีนะพวกนี้เนี่ยกลุ่มนี้เนี่ยกลับไปมดีนะแล้วก็ไปบอกเนี่ยเริ่มเคลียร์กับผู้หลักผู้ใหญ่นี่ยเรื่องเป็นอย่างนี้ท่านนาบีมุฮัมมัดเป็นอย่างนี้เอาไม่เราเข้ามาเราจะได้ปกป้องเขาบอกปองศาสนาเขาบอกว่าอย่างนี้เดี๋ยวปีหน้านี่เดี๋ยวเราส่งกลุ่มใหญ่เลยคณะใหญ่เลย เจ็สิบกว่าคนเยซินในหัวกะทิเลยนะของชาวเยสริไปพบกับท่านนบีซอลลัลสัลแลมที่เดิมอลากรบะอลากบะเนี่ยเป็นภูเขาลูกเล็กๆซึ่งเขาจะถือว่าเป็นเป็นเป็นจุดที่จะจำแนกระหว่างเขตมีนากับเขตมักกะใครที่ไปทำฮัทเนี่ยก็จะรู้วลาไปจากมีนาเนี่ย แล้วตอนนั้นก็จะมีมสัสยิดมสัสยิดโบราณโบราณ น, นะครับมัสยิดอัลฮะกะบาตำแหน่งนั้นนะ่ะก็คือจุดที่นบีแล้วก็ชาวมาดินาเนี่ยได้มาพูดคุยกันอับดุลลอยบนินรอาหา์หะอัลอันซอรีเป็นคนเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ของของชาวมาดินาเนี่มคุยกับท่านนาบีเสร็แล้วก็เราน่ยอยากอยากให้ท่านเนี่ยทิ้งเมืองนี้ซะไปอยู่ มัดีนะนบีก็เลยบอกว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจเป็นเรื่องที่น่าสนใจนบีก็เลยแบมือจะได้ทําสัญญาตกลงกับชาวอังซอรเนี่ยชาวมัดีนะัอลัลอาบบะสิบนะอับดุลโมตีลุงของท่านนาบีซึ่งตอนนั้นนะ่ะยังไม่ได้รับอิสลามแต่เป็นลุงของท่านนาบีเป็นห่วงท่านนาบีก็ประกอไปด้วย ชากูเรชนี่ทะรวดกว่าท่านนาบีไปทําข้อตกลงกับมาดิน่าเนี่ยคงไม่รอดอะแต่นี่เป็นหลานแท้ๆเลยเขาก็พ อ, อ, อ, อเห็นท่านนาบีจะเริ่มจับมือกับชาวอันซอดนี่จะได้ทําข้อตกลงแล้วนี่นะอับบาสอัลลา บ, บสซิบนาบุลมุตเตลิปนี่ปัดมือตบมืออย่างเงี้ยเดี๋ยวเดี๋คุยอะไรกันคุยกันให้รู้เรื่องหน่อยนะที่พวกท่านนี่ชวนนบีมุฮัมมัดไปอยู่มาดิน่าเนี่ย พวกท่านนี่รู้ไหมพูดกับแชงกังซอนรู้ไหมว่าพวกท่านนี่กาลังจะสู้รบ ก, กับอาหรับทั้งหมดเลยในคามสมุทรอาหรับเนี่ยแต่เป็นศัตรูของพวกเจ้านี่ไหวเหรอรู้ไหมเรื่องนี้คือก่อนที่จะทำข้อตกลงอะไรรู้เรื่องไหมเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องเล่นนะเพราะเดี๋ยวนี้ไม่มีใครเอาด้วยกับท่านนาบีนบีกําลังเทศนาเรื่องที่คนอาหรับในข้าสมอาหรับไม่ เขาไม่เอาอ่ะให้ทิ้งจเวดให้เลิกซินาให้เลิกกินเหล้าโอ้โหชีวิตของเขาอยู่กับสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดใครจะชอบล่ะชอบับดุลไลบ์นิราวะแล้วก็ซาฮาบะชาฟันซอลเลยก็นบียาห์มห์มัดอิสตัดตอิสตัดตลิรบบิกะวลีนับซิกะนบีตั้งเงินไขล่ะอันนี้ มันพูดให้อับบาอับบาสมันว่าโอ้เหมือนเขาห่วงห่วงลูกหวงหลานนะท่านจะมุฮัมมัด่ะเป็นหลานเฮ้ยจะเอามุฮัมมัดไปอยู่มาดีน้าอย่างน้อยในอยู่ที่นี่นะนะเขาก็มีเครือญาติบรรุฮาชิมยังพอที่จะปกป้องเอ้จะไปอยู่มาดีน้าแล้วเนี่ยใครจะดูแลเขาละ่ะชาวนซอรก็เลยตั้งไว้เลยต้องการอะไรอิสตอริทเงินใคร ที่ท่านต้องการเกี่ยวกับ Allah เกี่ยวกับท่านว่ามาเลยท่านนบีก็เล่าว่าอัลตาริตูลิรบีอันตาบูดูหัวละตุชริกูบีชายะเงินไขที่ฉันตั้งไว้สําหรับพระเจ้าของฉันเนี่ยว่าพวกเจ้าต้องให้บาดาตอล l l a h สักการะต่อพระองค์เพียงผู้เดียวไม่ตั้งพาคีใดๆกับพระองค์ท่านวลีนับซีแต่สำหรับ ข, ข, ว ข, วข้าพเจ้าเองเนี่ยข้าพเจ้าขอตั้งเงื่อนไขว่าต้องปกป้องข้าพเจ้าข้าพเจ้าและการทํางานของข้าพเจ้าดาวาของข้าพเจ้าอันจำเนาอูนีนิมาจำเนาอูนมินหุอันฟุสกุมวานิสาอักุมวะธารีกุมปกป้องฉันและการทํางานของฉันนี่นะชีเช่นที่พวกเจ้านี่ปกป้องชีวิตของ พวกเจ้าเองบรรดาสมาชิกครอบครัวภรรยาลูกหลานของพวกเจ้าเองและทรัพย์สินของพวกเจ้าเองซึ่งเงื่อนไขนี้เนี่ยเป็นเงื่อนไขที่ไม่ใช่ง่ายสำหรับป ก, ป, ก, ป, กป้องคนอื่นเหมือนปกป้องตัวเองก็หมายถึงว่าสถาบันคนอื่นนั้นนะ่ะเท่ากับเขาเนี่ยเป็นตัวเขาเองนะเป็นสถานะเดียวกันนะ ชาว อ, นอันซอดนี่ก็ฉลาดนะก็ไม่ใช่วา่าจะตั้งเงินไขจะทําข้อตกลงแบบง่ายๆแล้วมันจบๆง่ายๆนบีเสนอเงินไขอับดุลลอฮ์อับดุราวะฮ์ได้บอกว่าฝ่าละนะอินฝ่าลและถ้าเราทําตามนี้ตามข้อตกลงเนี้ยถ้าเราได้ทําตามข้อตกลงนี้ไอบาดาต่ออัลลอฮ์นี่หมายถึงว่าเรื่องศาสนานี่อัลลอฮ์เป็นเจ้าใหญ่ที่สุดในชีวิตของเรา แล้วก็ ก, การทํางานศาสนาของท่านเนี่ยเราจะปกป้องสุดชีวิตอทําแล้วแล้วเราจะได้อะไรเออก็พ่อค้าเก่งนะอา้าวไม่ก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะพ่อค้าเหมองก็ทําได้แต่กูจะได้อะไรแล้วฉันจะได้อะไรคําถามมีความชอบคือถ้าถ้าคําถามนี้เนี่ยไม่เข้าท่านะ เฮ้ยความโลภหรือเปล่าห็นเกตตัวทำไมเป็นคําถามที่มีความชอบถึงแม้ว่าดูสํานวนน่ะนะเหมือนเห็นเก่ตัวเปล่าแล้วเราจะได้อะไรคือทำแล้วแล้วเราจะได้อะไรน บ, บีก็บอกว่าน บ, บีตอบคําทอบเดียวอัลจนันอัลจนัลจนนะล้ำพังสิ่งที่ท่านน บ, บีครอบครองตอนนั้นนะ แม้ว่าจะเป็นสตังที่ดินบรมงบรมเมียนั่นมีไม่มีจะให้หรอกพระองอ้ต่บวกเจ้าช่วยเหลือฉันปกป้องฉันแบบนี้เนี่ยเอาเลยเดี๋ยวตะขับสมุดอาหรับนี่แบ่งกันคนละครึง่งมีบอ่อน้ำมันกับแบ่งกันคนละครึง่งรายได้เหมืองแรกทั้งหลายเนี่คนละครึง่งก็ยังพูดได้เหมือนกันละ่ะเพราะส่วนมากนีเวลาเวลาเขาทาข้อตกลงอะไรแบบเนี้ย ก, ก็มีพูดแบบเนี้ประเทศมหาอำนาจจักรวรรดินิยมเนี่ยเวล า, เ, าเวลาเขาทําข้อตกลงกับประมาณนี้แหละประมาณนี้แหละเดีวมาขุดบ่อน้ํามันให้อแล้วแล้วฉันจะได้อะไรเอาแบ่งกันแบ่งกันวินวินไม่มีอะไรที่เกี่ยวกับโลกดุนี้คือตั้งแต่แรกเลยตั้งแต่ที่ท่านในททำข้อตกลงกับชาวอังกฤษตั้งแต่แรกเลยเนี่ยไม่มีเรื่องดุนยาเข้ามาเกี่ยว ไม่มีหนารายได้ของคาบสมุทรอาหรับนี่เศรษฐกิจอะไรนี่แบ่งกันขึ้นเรื่องเดอไอเอเจนของแบรนด์ต่างๆน่แบ่งกันคนละครึ่งนันไม่มีทำหน้าที่ปกป้องฉันศาสนาของฉันแล้วก็พวกจาที่ฉันการันตีให้นะออลเจนะตอนันตอนนั้นนั่นนะชาวอันซารเนี่ยมีอายุเป็นมุสลิมอายุเป็นมุสลิม กี่ควบนี่ถึงปีหนึ่งอ่ะวันซื้อเป็นผู้ศรัทธาวันซื้อน่ปีที่แล้วเนี่ยที่มาดพึ่งมาดับอิสลามกับท่านนาบีมาอีกปีหนึ่งอ่ะนะมีความพร้อมแล้วพร้อมที่จะจีฮาาที่จะต่อสู้นอกเหนือจากนั้นนะ่ะมีความเชื่อมั่นว่าการการันตีของท่านนาบีที่จะให้เขาเข้าสวรรค์นี่นะเป็นสิ่งที่เชื่อได้รอยเซต ทั้งทั้เรื่องสวรรค์นี่มันไม่ใช่เรื่องที่สัมผัสได้คนเราเนี่ยเป็นพ่อค้าเวลาเอาไปซื้อขายสมมุติว่าไปซื้อชาวสวนเขาบอกว่าขายทุเรียนสมมติว่าเจอคนหนึ่งเจอบนรถไฟนถบนเครื่องผมเป็นเจ้าของสวนทุเรียนซื้อไหมเท่าไหร่อ๋อจะได้โอ้ยราคาหน่าสนใจซื้อกันเลยตอนนั้นน่ะหรอมีแม่พ่อค้าทําแบบนี้พ่อค้าทำไมีไ ม, ม่หรอก ต้องไปดูก่อนก็ดูดูสวนทุเรียนแล้วก็ต้องมั่นใจว่าไอ้คนนี้เนี่ยเป็นเจ้าของสวนทุเรียนนี้ต้องมั่นใจต้องเช็คข้อมูลนังละเอียดชาวอังซอ น, นี่เขามีความศรัทธาและนี่ปีเดียวนะเป็นมุสลิมนะมีความศรัทธาเบ็ดเสร็จเรียบร้อยแล้วว่านี่เป็นรอซูลเป็นาศาสนาทูตตัวแทนของอัลลอฮ และการันตีว่าถ้าเขาทําแบบนี้แบบนี้แบบนี่ยเขาจะการันตีว่าจะเข้าสวรรค์และเขาเชื่อตามนั้นไม่มีข้อสงสัยใดๆและคำสัญญามั่นเนี่ยสิ่งที่เขาจะต้องเสียสละนี่อชีวิตของเขาทรัพย์สินของเขาทั้งหมดความปลอดภัยของเขาทั้งหมดจะต้องถวายให้ท่านด บ, บีโดยเต็มใจอ <c oughs> พอดะบีบอกว่าอลัลยัตไม่มีอะไรที่จะให้บอกทนอลัลยัตนะส่วนสวรรค์อย่างเดียว ถ้าสมมุติว่าเราอยู่ช่วงที่ข้ทําข้อตกลงตอนนั้นน่ะถ้าเรามานั่งคิดนะว no. ่าจิตใจของสหบ้านนี่มันเป็นแบบไหนเราก็อายะนี้ถูกประทานลงมาอย่างนี้ถูกประธานมาเนี่ยหลังจากเหตุการณ์นี้อินนัลลอฮฺอัลลอระมินะลุอุมินีนะอันฟุสะมุอฺมุอาเลมบียะนะละหฺมุลจันน์นี่มันเหมือนอายะนี่อธิบายเหตุการณ์เลยอัลลอฮฺได้ซื้อแล้ว ชีวิตของพวกเขาผู้ศรัทธาเนี่ยทรัพย์สมบัติของพวกเขาเนี่ยบีอันนะโดยที่สิ่งที่อัลลอฮ์จะตอบแทนเขาเนี่ยอัลญันนะแล้วเราจะได้อะไรอัลญันนะสวรรค์อับดุลไลบินูราฮะตอบท่านนบีนะรบีอัลเบียละนิคิลุวะละนัสติคิลสัญญาค้าขายนี้สัญญาซื้อขายนี้เป็นสัญญาที่มีกําไร มหาศาลและนักีิลเราขอไม่ถอนและถ้าจะท่านาบีจะขอถอนเราจะไม่อนุญาตให้ถอนละนกีลเวลานัสตคิลคือจบแล้วนะไม่ถอนกันนะนี่ฝ่ายใครอะ่ะฝ่ายคนที่เขาจะเสียสละชีวิตและก็ทรัพย์สมบัติของเขานะและแล้วก็เป็นเรื่องแปลกอีกอย่างนึง สิ่งตอบแทนที่เราอตอบแทนที่ท่านในบีการันตีไว้เนี่ย <c oughs> การที่เราจะเสียสะละชีวิตและทรัพย์สมบัตินี่มันจะเสียสะละในโลกนี้หมายถึงว่ามอบสินค้าในโลกนี้แต่ไปรับค่าสินค้าที่ไหนอะในโลกหน้าซึ่งอันนี้ข้อสังเกตนะข้อสังเกตว่าเขายอมกันได้ไงขอถ้าหากว่าใช้สมองของ ของชาวดุนยาชาวโลกกันนะโอ้ยนี่นีมิชาชีพเปล่าซื้อแล้วแล้วก็จะส่งสินค้าหรือเปล่าไม่อันนี้มันเป็นค้าขายระหว่างพระเจ้ากับผู้ศรัทธาคนละเรื่องเลยคนละเรื่องอย่างนี้บอกว่าถ้าเราอยู่ในช่วงที่ท่านน บ, บีกับสหา์ชาวังสานเขากำลังคุยกันนะและอ่าลืเรื่องเรื่องนี้ผมเคยเล่าไงว่า ข้อตกลงเนี่ยที่มันจะมีผลในสงคามมูตาเนี่ยปีที่แปดที่จอร์ดสการ์ดซึ่งเป็นสงครามเป็นมูตะสงครามอตตอิฟที่เล่าไปแล้วเนี่ยช่วงแรกๆของสุลตาตูบสงคามอตตอิฟซึ่งเป็นสงครามที่ท่านอับดลได้สับเฉยเยอะมากอูดเนี่ยเป็นพันตัวแพะเนี่ยเป็นหมื่นตัวเพราะชาวตอิฟเนี่บอกแล้วว่ารวยมากสับเยเยอะมาก พรากฏว่าทรัพย์เลยที่นบีได้มาเนี่ยให้คนที่บวกรับอิสลามใหม่ที่เป็นหัวหนะ้าเผ่าคนนี้ร้อตัวคนนี้ร้อตัวคนนี้พันตัวชาวอันซอรเนี่ยที่อยู่กับ น, นบีตั้งแต่แรกต่อสู้กับนบีมอบแผ่นดินให้ท่านนบีทรัพย์สมบัติแล้วก็ต่อสู้กับ น, นบีชีวิตของเขานี่เขาถวายให้อิสลามเลยปรกากฏนนบีไม่ให้เลยทัพย์เลยนี่นบีไม่ให้แม้แต่เสลิงเดียว น้อยใจมากน้อยใจมนุษย์พ่ออยังไงองซอร์เลก็ยังเป็นมนุษย์ไงน้อยใจนบีก็เลยรู้สึกว่าองซอรน้อยใจก็เรียกผู้นําองซอรผู้นํำชาวมดีน่านิมธราเป็นอะไรกันเพื่อกาปรรมบอกว่าก็ท่านไปให้คนนู้นให้คนนี้แล้วก็เรานี่อยู่กับท่านนบีเสียสละ ชีวิตและก็ทับสมบัติท่านรรนบีก็ไม่ได้ไม่ได้ให้อะไรกับพวกเราเลยนบีก็บอกว่าเรียกเรียกมาหมดเรียกเรียกชาวอังสอรมาหมดเอาชาวอังสอรอย่างเดียวนะคนอื่นไม่ยุ่งคนอื่นไม่ต้องอยุ่งมันเป็นมันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในยุคแรกของอิสลามแลว้วไม่น่าจะเกิดขึ้นอีกต่อไปในเรื่องว่าด้วย การเสียสละในอุดาลลที่เป็นที่เป็นแบบฉบับของคนรุ่นก่อนนีคมบัแล้วก็ว่าโอชาวันซอร์โอชาวันซอร์พวกท่านเนี่ยก่อนที่ฉันจะมามาดีหน้าเนี่ยพวกท่านเนี่ยเป็นพวก ปฏิสิทธศรัทธาเขารบูชาสักการะจวีตมากมายไม่รู้จักความจริงศีจธรรมเลยแต่พอฉันมานี่พวกเจ้าก็เลยเรื่องรู้เรื่องความศรัทธาพวกเจ้าก็เป็นคนดีหูตาสว่างไม่ใช่หรืออย่างนับบ้นนะ บ, บีนบีกําลังอ้างบุญคุณของท่านนะ บ, บีชาวอังสวรบกวา่าใช่แล้วจริงแล้วพวกเจ้านี่เคยขัดแย้งกันสู้รบกันเล็กตุ้มเบะเลย และข้าพเจ้าเป็นผู้ที่ปรองดองให้พวกเจ้านี่สามัรคขี่กันรักใครกันแล้วก็เป็นปึกแผ่นเดียวกันใช่ไม่ใช่ใช่แล้วสรภาพบมดใช่แล้วในเียวกดแต่พวกท่านสามารถพูดมากกว่านี้ฉันนี่อยู่ที่มักกะญาติพี่น้องของฉันปฏิเสธฉันค่มเหงฉันขับไล่ฉันและพวกท่านนี่เปิดประตูบ้านของพวกท่านนี่ให้ฉันได้มีความอบอุ่น ฉันนอยู่ที่มักกะไม่มีใครสนับสนุนช่วยเหลยอฉันทำทงานศาสนาได้ว่าเลยแต่พวกท่านมีสนับสนุนฉันต่อสู้กับฉันเสียสละชีวิตและทรัพย์สมบัติของพวกท่านเนี่ยเพื่ออิสลามพวกท่านนี่พูดมากมีบุญคุณมากกว่าท่านนัีพูดคำที่มันจะเป็นที่จะเป็นคำยกย่องสรรเสริญที่เล่าเรื่องทาแท้ของชาวมาดีนนะที่ทุกวันนี้นะนะ คนทั่วโลกเนี่ยเขาก็จะพูดเลยนะใครที่จะไปมา ก, กา์เนี่ยจะเห็นว่าชาวมา ก, การ์เนี่ยหมายถึงว่าชาวเมืองมา ก, การ์เนี่ยคนชาวมา ก, การ์แท้ๆนะจะกระด้างหน่อยแต่ชาวมาดีน่าเนี่ยคนเมืองมาดีน่าเนี่ยแท้เๆเนี่ยเขาจะอ่อนโยนใครๆก็รู้กันหมด เ, เป็นที่รู้กันและสิ่งที่ท่านนาบีได้พูดเนี่ยเหมือนเป็นการชี้ถึงท่าแท้ของชาวมาดีนา่า เป็นคนที่ใจบุญเสียสละนบีบอกว่า ا ل น ا س و شعار والأنصارو دثار คนทั่วไปนี่นะคนมุสลิมทั่วไปเนี่ยก็คือเสื้อชั้นนอกแต่ชาวอังซอรเนี่ยคือเสื้อผ้าชั้นในองค์ฉันก็หมายถึงว่าคนที่ติดเนื้อติดตัวชั้นแต่คนอื่นนี่อยู่ข้างนอกเป็นภายนอกภายนอก น ا นคน لو سلك الناس ف ج ا وسلك الأنصار ف ج ا لسلك ت ف ج ل ا ل ن ص ا ر تبوه كلّ ل ه ن ي ب ي ت ِ ت ٍ ب ِ ت َ ا ن ٍ ل ك ا ن ص ا ر ِ ب ي ت َ ا ن ِ ك ب ج ا ء ب ي ت َ ا ن ِ ش َ و ا ن ص ا ر ا ل ل ه م ا ر ح م ا ل أ ن ص ا ر و أ ب ن ا ء ا ل أ ن ص ا ر و أ ب ن ا ء أ ب ن ا ء ا ل أ ن ص ا ر ว่าเาได้โปรดเมตตาชาวอังสอร์ลูกหลานอังสอร์แล้วก็ลูกหลานของลูกหลานชาวอังสอร์ในการเสียสละทรัพย์สมบัติของชาวอังสอร์แท่านนาบีไม่ลืมชาวอังสอร์นี่ลืมว่าเขาเสียสละชีวิตและทรัพย์สมบัติเนี่เพราะมีสวรรค์เ น, นกำลังรออยู่นบีไม่อยากให้เขาบิดผิวในข้อตกลง ก็ไม่ให้ซับเลยไม่ให้ซับเล ย, เลยคนอื่นนี่อาจจะได้สวรรค์อาจจะไม่ได้อาจจะอาจจะไม่ได้แต่สาหรับชาวอัซอดนี่เขาทําข้อตกลงระวังหรอว่าเราจะให้สวรรค์แล้วแน่นอนน บ, บีจึงรักษาไว้แต่ชาวอัซอดนี่ก็คงลืมที่ทําข้อตกลงไว้ตั้งแต่แรกเลยเนี่ยถ้าเราได้ปกป้องทาง่ทานถ้ทาทำตามข้อตกลงที่เราเนีน่ยสวรรค์ มีอย่างอื่นมันไม่ได้มีเงื่อนไขว่าไอ้ที่ตอนดีเราจะเสียสละต่อสู้นี่ถ้ามีทรัพยเลยนึ่ก็อย่าลืมแบ่งให้เราด้วยไม่มีไม่มีข้อตกลงนี้ข้อตกลงนี้คือต้องเสียสละทรัพสมบัติชีวิตอย่างเดียวไม่มีค่าตอบแทนอย่างอื่นไม่มีดุลย์ยังไงไม่มีแบ่งบ่อน้ํามันไม่มีแบ่งผลประโยชน์ไม่มีไม่มีเสียสละอย่างเดียวเบียนนั่นแหละหูมูลเจน มีบททดสอบอีกอันหนึ่งช่วงสงครามบัตรสงครามบัตร์นี่มันเกิดขึ้นนอกมาดินาแล้วข้อตกลงที่ท่านนาบีได้ทํากับชาวอังซอดนี่ว่าจะปกป้องท่านนาบีโดยที่ไม่ได้กําหนดปกป้องพราเขาบอกว่าชวนไปมาดินะแล้วเราจะปกป้องท่านหมายถึงว่าที่มาดีนาแต่นี่ออกจากมาดีนาไปทําสงครามบัตรนบีก็เลยกลัวว่ามันไม่ใช่ข้อตกลงชาวอังซอดนี่เขาจะเขาจะมาสู้รบไหมเขาจะมาสิสะมันมัน ไอ้เงินไขตรง น, นี้มันไม่ชัดเจนก็ก่อนที่จะทสสําสงครามสู้รบในสงครามบาตเนียวว่าไงให้คำปรึกษาหน่อยก็มีชาวมุฮัจิรีนขึ้นมาบอกว่นานบีต่อสู้เลยเร า, เราช่วยเลยท่านเน่ น, น, นอนมีใครจะว่าอะไรไหมก็มีชาวมุฮาจิรีนคนนึงก็ขึ้นพูดนะนบีเอาไว้ไงก็อย่างนั้นเลยในเมก็มีใครจะพูดอีกไหมคือนบีอยากอยากได้ชาวอันซอร์ มูฮัจิรินช่วยช่วยอยู่แล้วแต่นี่เป็นบททดสอบแรกที่จะตรวจสอบข้อตกลงระหว่างนบีกับผู้นำอาอุสอิกดดาบเนลอสวดอิบเนลมักดัดอิบนอัมรุตัดจมมีเป็นแค่นั่นก็อียานะตันีเหมือนว่าท่านนบีต้องการให้เราพูดใช่ไหมครับท่านนบี มนบีอ่ะคูดสถิตท่านนบีท่านนา บ, านนาบีนำเราไปที่ไหนถึงจะนำเราลุยทะเลคืออาหรับเนี่ยอาหรับเนี่ยส่วนมากนะครับแม้กระทั่งชาวเลนี่ที่อยู่ตามหานไม่ใช่ชาวประมงไม่ใช่ไม่ใ ช, ไใช่ไม่ใช่คนที่แบบว่า เออมีประสบการณ์ในเรื่องการลุยทะเลลุยมหาสมุรเนี่ยก็กลัวทะเลมากกลัวทะเลมากฉะนั้นถ้าอับถ้าอับนี่บอกว่าสมัยน้นอ่ะนะสมัยนู้นถ้าเขาบอกว่าลุยทะเลในหมายถึงว่าไปฆ่าตัวตายมือกี้นั้ก็เลยบอกว่านบีถ้านำเราไปลุยทะเลน่ะเราก็จะลุยกระทันคือต้องต้องอธิบายตรนนี้นะเพราะเพราะสำนวนนี่ลุยทะเลก็ลุยไปนิดไมเห็นจะมีอะไรเลยไม่สำหรับ วัฒนธรรมของอาลัมลุยทะลม่มีใครเลุยลุยทเลหมายถึงว่าคือตายอ่ะตายก็ตายอย่างเดียวถ้าใช้สำนวนนี้ก็หมายถึงว่าถ้าจะนำนำเราเนี่ยไปสู่ความตายเนี่ยเราก็ไปกับท่านไม่ทิ้งท่านหมายถึงว่าจะไปสู้รบที่ไหนเราก็จะปกป้องท่านไม่ใช่เฉพาะที่มาดีนะ <c oughs> นั่นก็หมายรวมว่าทําข้อตกลงกลับเราอยู่ข้อติลูนะวีสบีไล่แฝกติลูนะวายุกติลูนะที่เราจะ มอบทรัพย์สมบัติชีวิตเพื่อเอาลอดนี่จะฆ่าหรือจะถูกฆ่าโดยที่ไม่มีเงื่อนไขหมายถึงว่าไม่มีข้อแม้อจะจะจะเสียสละขอตายด้วยด้วยวุฒสงครามนะแต่ตายถูกตัดคอนี่ไม่เอานะอันนี้ไม่ชอบนะมันแสลงหน่อยนะไม่เอาไม่เอาไม่เอาเธอแบบนี้ไม่เอาไม่เอาไม่สู้ไม่รู้ไม่สู้ไอข้อแม่ตอนที่เราจะ ทำอะไรเพื่ออัลลอฮฺสุบัยน์ละละยนบีอัลลอฮลาฮฺละหมาดเงองละหมาดโอ้ยถ้าไม่มีถ้าเปิดพัดลไมไม่ละหมาดไม่มีพัดลมไม่มีแอร์นี่ฉันไม่ละหมาดหรอกทำไมโอไม่มีความสุขไม่ละหมาดไอ้ไอ้ข้อแม้ในการพักดีต่ออัลลอฮฺสุบัยน์นบีอัลอฮลานี่มันแสดงถึงความไม่พร้อมที่จะเสียสละตั้งแต่ต้นตั้งแต่ต้นเรื่องนี้เราต้องมาตรวจสอบตัวเอง ว่าตกลงเราเชื of of ่อแล้วว่าอัลลอฮ์สุภานะดาระให้การตอบแทนที่เป็นสวนสวรรค์นี่อัลลอฮ์ให้ได้จริงหรือเปล่าหาข้อแท้จริงตรงนี้เนี่ยสวรรค์มีหรือเปล่าเชื่อในสวรรค์หรือเปล่าในรกสวรรค์นี่เชื่อไหมเน hadis ดูอาของท่านนบีบทหนึ่งว่าอันนัลเจนนต์ฮักกุนวันนารูฮักกุนว่านันนาระฮักกุนเชื่อว่าสวรรค์นี่มีจริงนรกนี่มีจริง สำหรับผู้ศทธาในเรื่องนี้นี่เป็นเรื่องสำคัญข้อถามของมุงการนกีสำหรับคนที่ตายถูกฝังแล้วแล้วก็จะถูกสอบสวนคำถามแรกๆนี่มันระ บ, บุกะมันระ บ, บุกะมันนบิยุกะมาดีนุกะพระเจ้าของเจ้าเนี่ยของเจ้าคือใคราศาสนาทูตที่ท่านต้องเชื่อฟังนี่คือใคร ศา ส, สนาของเจ้านี่คืออะไรบางรายงานคนที่คนที่เชื่อแบบอย่างงั้นอย่างงั้นนั่นะเชื่อแบบมันเงี้ยนๆๆ น, น, บบนเขาจะตอบยังไงฮะฮะเคได้ยินเขาคุยกันนะนะเออคุยกันว่ามีพระเจ้ามีอะไรด้ินก็คุยกันนะว่ามีศาสนาทูตที่มีความได้ยินเขาคุยกันนะ ม, นน ม, ม, ม, นนมีสวรรค์มีนรกนัก็ได้ยินได้ยินก็ แล็กๆล็กๆกันในใจอะนะมีหรือไม่มีเนี่ยบางคนอาจจะยังไม่เชื่อก็ได้สวรรค์เออเอ็งละมาจะได้เข้าสวรรค์มีจริงหือสวรรค์ถ้าเรายังเป็นประเภทนั้นนะเป็นประเภทที่มีความลังเลมีข้อสงสัยในเรื่องเร้นลับแบบนี้ซึ่งเป็นเสาหลักของความศรัทธานี่นะต้องเคลียร์ก่อนนะ ต้องเกี่ยวก่อนไม่ต้องไปพูดเรื่องอื่นเรื่องละหมาดเรื่องต้อง ม, มาคุยเรื่องนี้ก่อนมีพระเจ้าจริงไหมมีสวรรค์นรกมีปรโลกจริงไหมชีวิตของเราสั้นๆเนี่ยหกสิบเจ็ดสิบแปสิบปีเนี่ยสรุปแล้วนี่มันมีแค่นี้เหรอที่พระเจ้าสร้างโลกจักรวาล น, นี้ทั้งหมดเนี่ยเพื่อให้คนคนเราเนี่ยมีชีวิตแค่หกสิบปีแล้วก็บจบตรงนี้มีม้มวนเดียวจบเหรอ หรือมันมีอีกม้ว น, นใหญ่นู่นออยังมีรออีกม้วนใหญ่นู่นเคลียรตรงนี้ให้เคลียก็ให้ชัดเจนก่อนแล้วไปคุยเรื่องละหมาดเรื่องอะไรนี่นะถ้าตรงนี้มันชัดเจนแล้วนะเรื่องอื่นนี่มันมาง่ายทำได้ทำได้หมดเลยนี่เหมือนชามวมัวร์จะดียนลองสอนทําได้หมดเลยมีเป้าหมายชัดเจนมีค่าตอบแทนชัดเจนคนเรานี่ถูกจ้างถ้านายจ้างนี่ เราไม่แน่ใจว่าเขามีตังค์หรือเปล่าเราไม่ทํางานนย่เดี๋ยวให้ทํางานวันหนึ่งให้ค hey, ่าตอบแทนวันละสองพันมีหรือเปล่ายังขอดูบัญชีนี่เอาให้ชัดเจนก่อนเรามีพระเจ้าพระเจ้ามีความสามารถที่จะตอบแทนพวกเราหรือเปล่าแล้วเราจะพิสูจน์ยังไงถ้าเรื่องนี้เรายังไม่มีคําตอบถ้าเรายังมีข้อสงสัยข้อแค็งใจเรายังไม่พิสูจน์ได้ตัวเองได้ดี และมีความมั่นใจแล้วนี่นะครับเรื่องอื่นเนี่ยเพิ่งพูดเลยเสียเสียเวลาเอาเรื่องนี้มาพูดถึงเป็นรุกุลอีมา ن น็เป็นเสาหลักของอีมานที่ต้องศรัทธาซะก่อนก่อนที่จะมีอิสลามนะก่อนที่จะมีละหมาดก่อนที่จะมีสการดก่อนที่จะมีเอาเรื่องหลักหลักศรัทธาเนี่ยชัดเจนก <c oughs> ่อนอัลกุรอาเผยแร่ช่วงแรกๆของอิสลามนะเรื่อง สำคัญที่สุดเนี่ยหลักศรัทธาในพระเจ้าและปรโลกสองอย่างนี่เป็นเรื่องสําคัญศรัทธาในพระเจ้าและปรโลกสองเรื่องใหญ่ใหญ่ที่สุดใหญ่ที่สุดในอิสลามอัลอิมานบิลลาฮิวะลียมิลอะครุกุนอิมานก็มีอย่างอื่นก็มีนะแต่นี่คือสองเรื่องหลักฮะดิสละฮะดิสนี่ก็จะเน้นดึงนี่ย ม, มันก็นายุมิโนบิลละหิวเลียมิบิลมมละคผู้ใดที่ศัทธาใอัลลอฮ์และแปรโลกจงทําแบบนี้จงทําแบบนี้นีห่หลายสํานวนเป็นแบบนี้ผู้ใดที่ศรัทธาในอัลลอฮ์และประโลกเพราะสองเรื่องนี้สําคัญถ้ามีแล้วนี่นะเออเรื่องเรื่องอื่อนที่มันจะมาง่ายศรัทธาในอัลลอฮ์เรื่องศรัทธาในบรรดาอบีศา ส, สนาทูนในมาไลากะในคัมภีนีม่มันมามาง่าย ถ้สตาร์ในวันปรโลกนี่เรื่องสวรรค์เรื่องน ร, งนรกเนิยมัมาง่ายปรโลกอลัลลมากลุ่มนีก้ก็เลยบอกว่าอายานี่ถูกประทานลงมานูนก่อนที่นบีเจ้าพยบด้วยอลัลลมาบางท่านก็บอกว่าอายานี่อายานี่ถูกประทานลงมานี่ในในสุรัตอัตบ้านในในช่วงนั at at น้นนะในช่วง ในช่วงหลังสงครามตะบูกหลังจากที่พวกมุนาฟิกีนพวกสับปลับกลับกรอกนี่ได้แสดงสันดานไม่เสียสละชีวิตของพวกเขาเพื่ออิสลามเพื่อท่านดาบีอัลลอฮ์ก็เลยประทานเอา้าไหนอะ่ะพวกศรัทธาที่อลัลลอฮ์ได้ทําสัญญาค้าขายกับเขาแล้วอะ่ะเขาจะเอาชีวิตเอาทรัพย์สินของเขาแล้วก็จะให้สวรรค์แทนไหนอะ่ะพวกนี้อยู่ไหนอะ่ะ ผู้ศรัทธาที่อัลลอ์ต้องการคือพวกนี้ซึ่งมันมีอยู่แล้ว่ะที่ทำกับท่านนะเบียรนันมีอยู่แล้วแต่อัลลอ์สุภาหนาหัวตาแหลได้เล่าเรื่องนี้ซึ่งเป็นเรื่องที่อาจจะเกิดขึ้นก่อนนั้นนี้ก็จริงมันมี <c oughs> ในอัลกุรอานเนี่ยในบรรดาศาสตร์เกี่ยวกับอัลกุรอานเนี่ยเขาบอกว่ามันจะมีศาสตร์ชนิดหนึ่งเราต้องรู้ คุร์านที่ถูกประทานลงมาครั้งเดียวแล้วถูกประทานลงมาหลายครั้งะจะมีเช่นฟาติฮามีทัศนะบอกว่าถูกประทานลงมาที่มักกะตอนที่บัญญัติละหมาดและมีทัศนะที่บอกว่าถูกประทานลงมาหลายรอบที่มักกะและมา ด, ดินาด้วยอายะนี้ก็เช่นเดียวกันเป็นไปได้เป็นไปได้เนื่องจากว่าสุรัตตูบะเกือบทั้งหมดเลยเนี่ย ถูกประทานลงมาหลังสงครามตะบุกและมันมาอยู่ในช่วงที่อัลลอฮฺสุบไพร์น่ว่าจะหลัากำลัพูดถึงเรื่องมุนาฟิกีนผู้ที่มีการกระทําบัตซุบในช่วงนั้นนะ่ะในช่วงนั้นพอดีแสดงว่าอายะนี้อัลลอฮฺจะมาพูดเรื่องนี้ซึ่งมันเป็นเรื่องเก่าได้ไงมันก็เกี่ยมมันอัลลอฮฺก็ประธานลงมาในช่วงนั้นนั้นนะ่ะเพื่อสอดคล้องกับเรื่องที่อลัลลอฮฺกำลังพูดถึงในช่วง หลังสงครามตะ บ, บูกนี่แหละอา้าวแมันเกี่ยวกับเรื่องก็เป็นไปได้ว่าถูกประทานลงมาช่วงนั้นครั้งหนึ่งและก็ถูกประทานลงมาในช่วงหลังสงครามตะ บ, บูกอีกครั้งหนึ่งก็เป็นไปได้นะเรียกว่ามาตะกั่รหนุมาตะก ร, ระนูซูลูสิ่งที่กุณอ่านที่ถูกประทานลงมา <c oughs> หลายครั้ง <c oughs> ก็เป็นไปได้ความหมายมันก็ครอบคุมอยู่แล้วความหมายหมายถึงซาฮาบ ชาวอันซารุ่นนั้นน่นนะที่เขาทาข้อตกลงกับท่านน บ, บีแล้วมันก็ข้อคุมถึงทุกทุกคนชาวตะ บ, บีนท่านหนึ่งได้บอกว่ามุมลินทุกคนย่อมมีสัญญานี้ติดตัวอยู่สัญญานี้เกิดมาเป็นมุมินแล้วนะอยู่ในโลกนี้เนี่ยปรากฏตัวในโลกนี้เป็นผู้ศรัทธาแล้วนะมีสัญญานี้นี่นะติดตัวอยู่ ปฏิบัติหรือจะไม่ปฏิบัติตามสัญญานั่นก็อีกเรื่องนึงอีกเรื่องนึงข้อตกลงนี้มันจะเป็นข้อตกลงจําแนกผู้ศรัทธาแต่คนนี้ไม่ใช่ผู้ศรัทธาไ ม, ไ ม, ไม่ไม่ถึงขนาดนั้นหมายถึงว่าถ้าผู้ศรัทธานี่ไม่ได้เสียสละชีวิตของเขาทรัพย์สมบัติของเขาเนี่ยขาดความเป็นผู้ศรัทธาไว้ไม่ขาดไม่ขาดแต่ขาดความมั่นใจว่าจะเข้าสวรรค์หรือไม่เข้าสวรรค์แค่นั้นเอง แค่นั้นเองอันนี้พูดเชิงประชดหน่นะสำหรับคนที่อาจจะไม่มองคุณค่าของสัญญานี้เฮ้ยแล้วมันสำคัญแค่ไหนอะข้อตกลงนี้มันสำคัญแค่ไหนอะก็ coup, มันไม่ได้สำคัญมากหรอกอยากจะเป็นผู้ศรัทธาต่อก็เป็นผู้ศรัทธาได้แล้วก็จะเข้าสวรรค์ไม่เข้าสวรรค์ไม่แน่แค่นั้นเองอันนี้เชิงประชนนะ แน่นอนสําหรับผู้ศรัทธาสวรรค์เข้าไม่เข้าสวรรค์นี่คือเรื่องใหญ่ที่ใหญ่ที่สุดในชีวิตของผู้ศรัทธาแสดงว่าสัญญานีน้นี่ถือว่าสัญญาใหญ่ที่สุดในชีวิตหมายถึงว่าอัลลอฮฺสุบฮานาห์ดาละให้ช่องทางที่จะให้เราการันตีตัวเองว่าเป็นชาวสวรรค์ทีนี้มันต้องมาดูสิแล้วเราออจะปฏิบัติยังไงปฏิบัติตัวยังไงเนี่ยให้ทํทาตามข้อตกลง ก็ต้องมาดูสิอัลลอฮฺซุบฮฺานะมดะฮฺอัลลอฮฺเต็งเงินขายนะเล่อินนัลลอฮอิชต์ร่มินัลมุอฺมินินอัมฟุซฮฺอุอัมวาลฮฺมุมีสองอย่างอัมฟุซฮฺอะอัมวาลฮฺชีวิตของพวกเราทรัพย์สินของพวกเราต้องมอบให้อัลลออันนี้อันนี้คือเขาเรียกว่าอันนี้คือเนื้อหาของข้อตกลง แต่รูปแบบเทคนิคน์อะไรพวกเนี้นะยุกอติลูนะต่อสู้ในอุตสะฟักตุลูนะจะฆ่าหรือยุคตะลูนะจะถูกฆ่าอันนี้คือเทคนิคน์หมายถึงว่ากลไกรูปแบบชนิดการเสียสละ น, นี้อันนี้อยู่ตรงนี้แต่ที่สําคัญที่สุดนี่นะก็ชีวิตของเราทรัพย์สินของเราเรามีความพร้อมเสมอที่จมะมอบให้กับเราสุภาณวัฒน์พร้อมทุกพร้อมทุกเมื่อเป็นเช่นนั้นไหม คำถามที่เราสามารถตอบตัวเองได้ตอนนี้เวลานี้หรือทุกเวลานะทุกเมื่อถ้าอิสลามหลักการคำสั่งสอนของพระเจ้าศาสนาของพระเจ้านี่มันจะเสื่อมเสียมันจะถูกคมเหงถูกลบลูแต่ถ้าเราเสียสละนี่จะไม่เกิดขึ้นนั้นหรือจะเกิดขึ้นน้อยเราพร้อม ที่จะเสียสละชีวิตเพื่อปกป้องศาสนาของพระองค์ไหมถ้าเรามีความพร้อมในเรื่องนี้ น, นั่นแสดงว่าเราได้ทําข้อตกลงแต่ความพร้อมเราเพราะ อ, อันนี้อันนี้อัน น, น, นี้เรื่องเนื้อหาหลักๆของข้อตกลงกันนะเราต้องมีคําตอบชัดเจนว่าชีวิตของเราทรัพย์สินของเราเนี่ยเราพร้อมที่จะถวายใหลอสพาโนวั า, เ, า, า, วาเพื่อพระองค์พร้อ ม, พ ร, อมพร้อมทุกเมือ่อ ส่ว น, นกลไกของมันเนี่ยเราจะพร้อมจะเสียสละยังไงรูปแบบไหนเนี่ยอันนี้ก็อีกเรื่องนะึ่งนะจะอธิบายให้เรื่องนี้เราเราไม่ต้องมีคือเราไม่ต้องแคร์หรือใส่ใจสถานการณ์แต่ละยุคแต่ละสมัยที่จะทำให้เราต้องประดับประดาสำนวนคำอธิบาย พระดำราวะ ล, ลัวซุบหานะวะตาลาให้คนได้มองอิสลามว่าเป็นศาสนาคิวตเป็นศาสนาสวีทเป็นศาสนาน่ารักอ๋อนี่สอนกันอย่างนี้เหรอสอนนี่คนเสียสละเพื่อพระเจ้าอ่าะเพืาอเดี๋ยวนี้เนี่ยเขาสำนวนหอพวกนี้มันพวกขัางศาสนาไอ้พวกไอ้พวกญาติมันมีในยุคนึ่งอะนะ ถูกหมายหัวว่าพวกจิฮาตนี่ก็หมายถึงว่าคือเสียศาสนาไปเลยนะพวกจิฮาตเสียศาสนาเลยนะทั้งตั้งที่ขั้ขวขั้วจีฮาตนี่ก็เกียรติยศนะ่ะเธอถูกหมายหัวนี่พวกจิฮาตเนี่เสียเลยติดคุกตับ ต, บ ต, บตบโดนข้อหาโดนนี้สถานการณ์มันจะเป็นยังไงเราอธิบายเนื้อหาของพระดรํารัสพระสุภาณววดารตามเนื้อผ้าอย่างตรงไปตรงมานี่ ผมอ่านสำนวนที่เป็นภาษาอังกและธิ่ายเป็นภาษาไทยแล้วก็ได้ใส่สีด้วยนะใส่สีด้วยนะอะอธิบายแบบสีสันอะแบบสีสันด้วยนะมีนัลหมูมินี่นะจากบรรดาผู้ศึกษาคือให้รู้่าตัวนี้คือตัวนี้นะไม่ไม่มีหมกเม็ดนะไม่มีอะไรแบบเออหลอกอไอันนี้เฮ้ยเช็คมาหลอกเราไม่มีใครเรื่องภาษาอางกฤษมั่ง คือตามนี่นะและอายานีหนึ่งรนะ้อยสบอ็หน้าซูรอทีเก้าอายาหนะึ่งยสิเนี่ยหมายถึงว่าไปตรวจสอบได้ใช่ไม้มไปตรวจสอบได้ถ้าอาจารย์กูก็ได้ถ้าไม่เชื่อกูก็ไปถามมัน <c oughs> ตามเนื้อผ้าไม่ต้องกังวลซ i a อมอซตหรือกระบวนการโจมตีอิสลามที่ต้องการบิดเบือนคำสั่งสอนของอิสลามเนี่ย ให้มุสลิมเนี่ยเหมือนเหมือนสัตว์เลี้ยงที่น่ารักอะสัตว์เลี้ยงที่น่ารักเนี่ยส่วนมากเนี่ยเป็นสัตว์ป่านะมันมีคุณลักษณะของความเป็นสัตว์ป่าแต่พอเราเอามาเลี้ยงที่บ้านเนี่ยเราบังคับให้มันต้องต้องปรับสันดานเป็นสัตว์ป่าเนี่ยต้องเข้ากับเราเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวเลงอะไรเนี่ย คนดีสอบเลี่ยงหนูอย่างเงี้ยเลี้งหมูมันมีลักษณะความเป็นสัตว์ที่ไม่เรียบร้อยอยู่แล้วเพราะมันอยู่ในป่าไงสัญชาตญาณมันอยู่ในป่ามันอยู่ตามอิสระของมันแต่พอมันอยู่อยู่ในบ้านอยู่ในคอนโดอยู่ในอะไรแล้วแล้วเราจะต้องอสัตว์เนี่ยมันมีห้องน้ําเฉพาะของมันไหมมีที่ไหนสัตว์ทั่วโลกนี่นะอ๋ออันนี้เป็นห้องน้ําของกูนะบอกกับเพื่อนมาเยี่ยมมาเยีย่มยมยมา ย, ยุ่ง อันนี้ห้องน้ำไม่ไ ม, มีสัตว์นี่มั น, นจะถ่ายที่ไหนนีมันก็ถ่ายแต่พอมันไม่อยู่บ้านเราเนี่ย อ, อตรงนี้นอะยอย่าไป อ, อื่นอื่นนะอันนี้สัญญาตยานของมันไหมไม่ประมาณนี้นะ่ยนะเขาต้องการให้มุสลิมเนี่ยเฮ้ยจีฮัตได้จิฮัตไม่มีบัะลัแต่จีฮัตต้องเข้าใจจิฮัตตามบริบทของสาธาระชาชาติจิฮัตต้องความต้องการของอิสราเอลเนี่ยเขาอย่างนี้เนี่ย คือ j i h ั d มากกว่านี้เนี่ยไม่ใช่แล้วนะมัน jihad มัน jihad มันมีมันมีขบเขต้ยวจะไปล้ําอะไรเนี่ยอันนี้ไม่ใช่นะนี่ก่อการร้ายแล้วน ะ, ะทำไมถึงว่าเราจะเข้าใจพระดํารัสของพระเจ้านี่ตามความต้องการของมนุษย์เบาของพระเจ้าไม่ใช่ตามเจตนารมของพระเจ้าอันนี้ไม่ได้อธิบายตามเนื้อผาเนี่ยใครจะชอบไม่ชอบแต่ทั้งนั้นทั้งนี้น่นนะนะเราก็ต้อง รักษาความถูกต้องของความเข้าใจไม่ใช่ว่าแบบเข้าใจแบบว่าเข้าใจตามเนี่อพาดแต่แบบเลอะเทอะไปเลยนะก็ไม่ใช่เหมือนกันก็ตามหลักการตามหลักหลักหลักการศาสนาที่เป็นเป็นกรอบของวิชาการของศาสนาด้วยอันนี้เราก็ต้องคำหนึ่งด้วยนะถ้าที่เข้าเข้าใจตามอำเภอใจก็ไม่ได้เหมือนกันเช่นเราจะเข้าใจยีฮันเนี่อะไรก็จีฮันอะไรอะไรก็ยีฮันเนี่ย ไ, ไ, ไม่ใช่ไงสมุดว่า ผ่าไฟแดงตำรวจนี่ม่นผ่าไฟแดงทำไมอเฮ้ยจะมักฎหมายอะไรผ่าไฟแดงไม่ได้นี่มันไม่ใช่กฎหมายของอัลลอฮ์นี่นกฎหมายต่อกรูดเนี่ยเราต้องเชื่ออะไรผ่าไฟแดงไม่ได้ใครบอกก็ไม่ได้ไม่มีไม่มีหลักฐานอันนี้ไม่ใช่อันนี้อืมอันนี้จังหวัดใจเขาจะจังหวัดใจหัหมอืม คือมันกว้างจนไม่ใช่อําเภอใจแล้วนะมันเป็นจังมันกว้างจนเป็นจังหวัดใจเนะี่ยไม่ใช่อํเภอใจเลยขนาดนั้นเลยนะซึ่งมีมนะอย่าอย่าขำนะมีอะไรประมาณเนี้มีมีใครบอกแล้วว่าผ้าใบแดงเนี่ยผิดตรงไหนอะ่ะไม่มีหลักฐานในคุณอ่านในฮะดิษอันนี้ก็แย่มันกันก็ไม่ใช่มันกันอย่างที่เคยอธิบายนะเรื่องหลักเกณฑ์หลัก การบริบทอะไรต่างๆในสังคมเนี่ยมันก็มีสิ่งที่กุฎีได้รองรับเหมือนกันอย่างเช่นระเ บ, บียบกฎหมายจราจรจอย่างเงี้ยอะไรที่มันไม่ขัดกับกุรีก็ก็ถือว่าได้ถ้ามันเป็นข้อตกลงในสังคมมานะมันก็มีหลักฐานในกุฎีในฮะดีสอะไรที่เราตกลงกันแล้วไม่ขัดกับหลักการศาสนาเนี่ยก็ถือปฏิบัติเป็นระเบียบได้เป็นกฎได้ถ้าไม่ขัด มันก็มีหลักฐานจากกูอานาฮิสรองรับกฎหมายที่เราร่วมกันตั้งขึ้นมาแต่มีเงื่อนไขว่าจะต้องไม่ขัดกับหลักการศาสนาผ่าไฟแดงนี่มันผิดกฎหมายมันจะขัดกับหลักการศาสนาศาสนากุอ่านอัดีสเนี่ยบอกว่าเราอย่า ก, ก่ออันตรายกับตัวเองน่ย ก, ก่ออันตรายกับคนอื่นสอดคล้องกฎหมายจราจรทั้งหมดเนี่ยทำขึ้นมาเนี่ยเพื่อปกป้องชีวิตของเราและกชีวิตของคนอื่นสอดคล้อง กับหลักศาสนาไม่ผิดเราบอกอเราต้องเราต้องต่อสู้กฎหมายที่มันไม่ใช่กฎหมายของกุร์านนะคะดิ ث, เช่นกฎหมายจราจร อ, อันนี้ไม่ใช่อันนี้ต้องต้องเข้าแบบนี้ไม่ใช่ความเข้าใจที่ไม่ใช่ชีวิตของเรานี่มันก็จะมีเหตุการณ์ที่เราสามารถพิสูจน์ตัวเองว่าเราเสียสละเพืพ่อ Allah หรือไม่เอาง่ายๆไม่ถึงถึงขนาดที่ นี่พี่น้องกาซานี่ยกาลังถูกฆ่าเรากาลังทำอะไรกันอยู่มานั่งฟังตตฟซีกันได้สาระทำไมไม่ไปสู้รบทีน่นูน่นนู่นเขากำลังถูกทำอะไรกันอยู่ได้ทำได้ทุกอย่างนี่ที่มันจะมีขั้นตอนของมันนะนะต้องทำไม่ไดงว่าการที่เราจะไปต่อสู้ไปช่วยพี่น้องชาวกาซาเนี่ใครที่มีความสามารถทาได้อะนะอาวสามารถซื้ออาวุธสามารถ เดินทางพร้อมอาวุธขึ้นเครื่องพร้อมอาวุธไม่ต้องขึ้นเครื่องก็ได้โหลดใต้เครื่องก็ได้แล้วก็ไปไปไหนอ่ะก็ไปลงจะไปลงอิสราเอลเนี่ยก็คงไม่ได้อะนะอาฉลาดหนด่อยดิไปลงจอแดนไปลงอียิปนะแล้วก็จากอียิปเนี่ยก็นั่งรถตู้ไปไปแถวราฟานี่นะแล้วก็ไม่ผ่านดแาน เฮ้ยฉลาดเน่ยดีขุดอุโมง์ได้นะแล้วก็แล้ว ก, ก็ไปโผล่ก็คิดไปดีถ้าทําได้นะก็ทำไปโถูกต้องแล้วการช่วยถูกต้องแล้วแต่เราก็ต้องดูบริบทบริบททุกอย่างนี่มันเอื้อหรือเปล่าอย่างเช่นอลัลลอฮ์ก็ให้ละหมาดละหมาดแน่นอนละหมาดแน่นอนแล้วละหมาดนี่ต้องยืนด้วยนะต้องยืนแน่นอนอนแต่สําหรับคนที่ยืนไม่ได้อะ่ะม่านี่มารถเข็นอย่างเงี้ยใจเขายืนถ้าเขาจะยืนแต่เายืนไม่ได้ สถานก็วก็ไม่ต้องยินแบบไหนนี่แหละกาสรสั่งทั้งหมดนี่ก็เป็นแบบนั้นแหละอะไรที่ทําไม่ได้เนี่ยมาดูระดับที่มันต่ากว่า ม, ามนั่นจะถือว่าเป็นการต่อสู้เสียสละที่เราสามารถและการนั้นคือสุดความสามารถที่เราทําได้ก็คือเสียสละที่เราสามารถเสียสละได้ชีวิตจริงๆเนี่ยเราจะเสียสละเพื่อเป็นประโยชน์จริงสำหารับพี่น้องชาวกาซาตอนนี้ยังทำไม่ได้ทําอะไรได้อะไรที่ยังทําได้เนี่ยทําไปก่อน แต่เรายังคํำนึงถึงว่าถ้าสถานการณ์ให้เราพร้อมเสียสละจริงๆชีวิตจริงๆอะนะเราจะไม่หลังเลเลยถ้าถึงจุดนั้นเราจะไม่หลังเลขอให้เราได้มั่นใจในเรื่องนี้และมีคําตอบที่มีความสัดจริงกับตัวเราที่สามารถตอบกับอัลลอฮ์ได้นะหมายถึงว่าอัลลอฮ์ถ้าอัลลอฮ์ถามว่านี่แล้วตอนนี้เนะี่ยตอนนี้จะไปได้นะ่ยไปไปไปที่ฮาร์กับพวกเขาได้ไปเลยครับ และมีความสัดจิงในคาตอบนี้นะนะนี่ก็ถือว่าโอเคแล้วถึงแม้ว่าตอนนี้ยังไม่ได้ท่านนบีสุลต ي านเลบัไดบอกบันกอิมามุสลิมมันมาตวะลมยัซอย حدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق พูดอะไรที่เสียชีวิตแล้วแลวไม่เคยไปจิ h a d ไปสู้รบในอนงอัลล์หรือตั้งใจ حدث نفسه ตั้งใจที่จะ jihad ในอนดังอัลล์นี่นะ เขาจะเสียชีวิตในสภาพเป็นมุนาฟิกกหมายถึงว่าต้องมีหนึ่งในสองหนึ่งในสองก็คือเจ้าจริงหรือตั้งใจเจ้าแล้มาเขาบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยไม่เฉพาะเจ้าอย่างเดียวทุกเรื่องแม้กระทั่งละหมาดดูรีตอนนี้เนี่ยเที่ยงครึ่งสมบุรณนะเที่ยงครึ่งเราไม่ละหมาตเที่ยงครึ่งสมบูรณเราไม่ละหมาตเทียงเราละหมาตบ่ายสองครึ่งไอ้ช่วงระหว่างเที่ยงครึ่งถึงบ่าย สองคึ่เนี่ยสองชั่วโมงนะการละหมาดดูรี่เนี่ยใช้เวลาประมาณ10นาทีสิบห้นาทีใช่ไหมแต่เราล่าช้าเนี่ยสองชั่วโมงอุลมามะเขาบอกว่าได้เพราะเวลาอัสรีเนี่ยมันสา ม, มงคึ่งใช่ไหมเราสามารถล่าช้าดูรี่เนี่ยถึงก่อนเข้าเวลาอัสรีแต่ขณะที่เรายังไม่ละหมาดนะยังไม่ละหมาดดูรี่นะเราต้องมีความตั้งใจที่จะละหมาด หมายถึเราสมุติโอ้ตอนนี้ยังไม่สะดวกเดี๋ยวมีบ่ายสองนี่จะละหมาดต้องมีความตั้งใจเพราะถ้าหากว่าล่าไปโดยไม่มีเจตนาไม่มีความตั้งใจที่จะที่จะละหมาดในช่วงหลังนั้นนะ่ะนะทุกเวลาที่มันบากนี่มันบาปไม่ใช่เรื่องอย่างเดียวทุกการทาหน้าที่ที่มีความเร่งด่วนแล้วไม่ทำ ณเวลานั้นนะ่ะจะเลื่อนไปอนะและศาสนาให้เลื่อนเลื่อนได้แต่มีเงื่อนไขว่าต้องตั้งใจทําในระยะต่อไปในระยะต่อไปต้องทําเราฟังเรื่องราวของอังสอรนี่ตะกี้บอกกับพี่น้งองว่าถ้าเรานั่งอยู่ในช่วงที่เขากําลังคุยกันเนี่ยแค่นั่งฟังเขาคุยกันนี่ก็สนุกแล้วนะแค่นั่งฟังนบีกับอังซอร์เนี่ยเขาคุย แต่ถ้าเรามีแต่ถ้าเรามีความหวังมากกว่านี่ถ้าเราถ้าเราเหมือนชาว อ, นอันซอดอะไรเนี้ยถ้าเราอยู่ชาว อ, อังซอดเนี่ยถ้ากำลังกำลังทําข้อตกลงกับน บ, บนะีแล้วก็บอกนบี id, จะอะไรก็บอกมาเลยถ้าเราต้องการสวรรค์นนะถ้าเราเป็นคนนี่กําลังเจรจากับท่านนบี id, โอย้ยิ่งสนุกไปอีกอันที่จริงแล้วอันที่จริงแล้วบทสนทนานเนี่ยเราทําได้เหมือนชาว อ, อังซอดเนี่ย ตลอเวลาในทุกเรื่องที่อัลลอฮฺสุบฮานาหัวตาละได้ใช้ให้พวกเราได้ทำมันก็จะมีบทสนทนานี้เนี่ยแฝงอยู่ในตัวละหมาดอูลงแล้วถ้าฉันละหมาดฉันจะได้อะไรคำตอบมีคำตอบมีในกุฎอลหะดีสี่มากน้อยมันซั่งเลบาร์ดัยนี่ดัชฮะลิจันนืหมือนเลยนะผู้ใดที่จะละหมาดสองเวลาบาร์ดัยนี่ฟ a กอิชานี่ s อิชานี่ ถ้าใครแล้วนสวรร์นี่นี่คือข้อตกลงอันนึงถ้าฉันละหมาดฉันจะได้อะไรก็เข้สวรรค์ไงเอาเลยอัลลอฮ์สัญญานี้ฉันทำํำฉันทําเลยบทสนทนา น, นี้เนี่ยมันสามารถเกิดได้ในทุกเรื่องที่อัลลอฮ์บัญชาเราที่อัลลอฮ์ใช้เราแล้วก็ผลตอบแทนที่อัลลอฮ์สัญญาเขาเราคือ ส, สวรรค์นี่นะเราสามารถจินตนาการบทสนทนา น, นี้ได้ แล้วจะได้อัทรุษอัธรธของข้อตกลงนี้เนี่ยที่อัลลอฮฺสุลตานอวตารได้ได้ประกาศไว้กับผู้ศรัทธาทุกคนหลังจากนี้อัลลอก็จะพูดถึงเรื่องอื่นด้วยที่ไม่ใช่เรื่องจิฮาดอย่างเดียวนะไม่ใช่เรื่องการเสียสละชีวิตและทรัพย์สมบัติอย่างเดียวเนะี่ยมีเรื่องอื่นด้วยในอายะทัดมา ตั้งแต่หุนล้าบุญล้าบิญล้าบุญลาบุญล้าบุญล้าบุญิ้าบุูล้าบิล้าบุญล้าบล้าบุญลาบิญล้าบุญล้าุญลาบุญล้าบุญล้าบุญล้อบุญลุ้ญลนาบุมล้าบุญล้าบุญล้าบุญล้เบรีลบเทียบุญว่าคุณสมาัติของมุญล้าบุีล้าบุล้าบุัล้าบุญลกับุัล้าบุกล้าุญาบุญาบุล้าบกลาบุญ้บุญล้าบุญล้าบุญล้าบุญล้าบุญลาบุ้าบุ้บุญล้บ อันนี้ังเป็นรินนะครับวอสัลลัลลอฮุอะลัฮิวะสัลลัมนีคําถามไหมครับสุเบศทหันมาแสดงว่าจำชื่อได้เข้าใจมเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างนะหน่อยให้มาบ่อยๆนะเดี๋ยวจะอีกวันหนึ่งสุเบศทอาจจะมาสอนแทนเชคนี่นะ م ي خدامك كانينكاب وصلى الله عليه وصحبه.